ทำกรรมประเภทลงโทษแก่ภิกษทุทั้งหลายที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าคือเป็นการทําลับหลังตัชนียกรรมข่มขู่บ้างนิยสกรรมถอดยยศหรือตัดสิทธิบ้างปรปภาชนียกรรมขับไล่บ้างปฏิสารณียกรรมให้ขอขมาคารพหัดบ้างบุเขปนียกร ร, ยกรรมยกเสียจากหมู่ไม่ให้ใครครบบ้างมีผู้ตีเตียน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 ไม่รู้สึกตัวจริงๆการให้อมูลหาวินัยจึงเป็นธรรมปรติญญาตกราระการะการะงับด้วยคำสา ร, รภาพของผู้ถูกฟ้องภิกษุฉชัพพัคีลงกำแก่ภิกษุทั้งหลายโดยไม่ฟังคำสา ร, รภาพของภิกษุเหล่านั้นมีผู้ติดเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้า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 ห้ารู้ว่าผู้กล่าวไม่เป็นธรรมอาจมีมากกว่าหกรู้ว่าสงฆ์จะแตกกันถ้าขืนลงมติเจรู้ว่าสงฆ์อาจแตกกัน8จับสลากโดยไม่เป็นธรรมเก้าจับสลากเป็นพวกพวกคือไม่เรียงทีละคน10ไม่ได้จับสลากตามความเห็นของตน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 2. เป็นผู้ไม่มียางอาย 3. ม, มีผู้โจทฟ้องสี่สงทำตัดสปาปิยสิกากรรมคือลงโทษแก่เธอ 5. สาสงพร้อมเพรียงกันลงโทษโดยธรรมอั น, นึ่งงแสดงลักษณะการทำกรรมชนิดนี้ที่ไม่เป็นธรรมและที่เป็นธรรมตามแบบที่ทรงแสดงไว้ในเรื่องตัดชนิยกรรม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 แต่ละฝ่ายที่เสนอยตินั้นเป็นผู้แสดงแทนเว้นอาบัติหนักเว้นอาบัติที่เนื่องด้วยคฤหัตเว้นผู้แสดงความเห็นแยง้งเว้นผู้ไม่ได้ประชุมอยู่ในที่นั้นคือมีผู้ขาดประชุม